ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นคำพีชินาลังการะดีกาแปลพระพุทธรักิตาจารย์ชาวลังการพจนาพันนาคาถาชำระเรื่องพระพุทธรักิตาจารย์ครั้นแสดงโยคาวจรกุลบุตรผู้รับพุทธานุสติอย่างนี้แล้ว บทนี้ประสงค์จะกล่าวชำระการโจดว่าเรื่องนี้เป็นชื่อคัมภีชินาลังกาลที่ตนจะพึงกล่าวพรนน า, นาพระพุทธคุณกระทำให้เป็นการบรรยายเรื่องจึงกล่าวว่าใครคือพระพุทธเจ้าพระคุณของพระพุทธเจ้านั้นที่เข้าถึงความไม่ควรคิดคือเป็นอจินไต่นั้นเป็นอย่างไรพระพุทธเจ้านั้น ทรงกระทําประโยชน์เป็นความจริงอะไรทรงแสดงอะไรที่ไม่ทั่วไปแก่พระสาวกอื่นๆมีปัญหากำสี่ข้อด้วยกันคือใครคือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ามีคุณอย่างไรคุณที่ไม่ควรคิดนั้นเป็นอย่างไรของพระพุทธเจ้าข้อที่สองข้อที่สามก็คือพระพุทธเจ้านั้นทรงกระทําประโยชน์เป็นจริงอะไรข้อที่สี่ คือทรงแสดงอะไรที่ไม่ทั่วไปแก่พระสาวะกนอื่นคาถานั้นมีอธิบายว่าพระพุทธรักขิตาจารย์กระทําการบรรยายเรื่องว่าบุคคลใดตัดสรู้เพื่อประโยชน์แก่ชาวโลกก่อนอันใดเชื่อว่าปฏิยานการพันานาคุณของบุคคลนั้นว่าขอท่านทั้งหลายโปรดจงฟังข้าพเจ้ากล่าวถึงเหตุอันเป็นผลที่ถึงพระสุคตเจ้าตามสมควรแก่เหตุ ในคาถานั้นคําว่าบุตโธพระพุทธเจ้าคือมีปัญหาข้อหนึ่งว่าใครคือสัตว์หรือสังขารมีปัญหาอีกข้อหนึ่งว่าคุณอันใดของพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นที่เข้ามาถึงคือเข้าถึงความไม่ควรคิดเป็นต้นคําว่าพุทธเจ้านี้ก็มีปัญหาแยกออกมาเป็นสองคือใครเป็นพระพุทธเจ้าเป็นสัตว์หรือว่าเป็นสังขาร อีกอันหนึ่งก็คือคุณที่ไม่ควรคิดเป็นอย่างไรคุณของพระพุทธเจ้านั้นที่เป็นอจินไตมันเป็นอย่างไรคือภาวะที่ไม่ควรคิดเป็นต้นได้แก่ภาวะที่ไม่ควรคิดไม่ควรรู้ไม่ควรไตรตรองไม่ควรกล่าวคุณของพระพุทธเจ้านั้นเป็นอย่างไรมีปัญหาข้อหนึ่งว่าปัญหาอข้อหนึ่งก็คืออะกาสิกิงโสพระพุทธเจ้านั้นทรงกระทําอะไร คือพระพุทธเจ้านั้นคือผู้เห็นปานนั้นทรงกระทําอะไรคือกิจอันเป็นประโยชน์แต่ไม่ทั่วไปแก่สาวกอื่นก็อีกข้อหนึ่งปัญหาอีกข้อหนึ่งก็ว่าโสกิมะโวจอุตโธพระพุทธเจ้านั้นทรงแสดงอะไรคือพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงแสดงโอวาุศาสนีอะไรเป็นประโยชน์ที่ไม่ทั่วไปแก่สาวกอื่นอันสาวกของพระองค์พึงปฏิบัต อธิบายว่าปัญหาสี่ข้อนี้เป็นปัญหาที่พึงวิสัชนาด้วยประการฉนี้ข้าพเจ้าจะประมวลเนื้อความตามที่พระพุทธเจ้าผู้เป็นพระมุนีและพระสาวกทั้งหลายผู้เป็นมุนีกล่าวไว้แล้ววิสัชนาปัญหานั้นให้สำเร็จประโยชน์ไม่ผิดเพี้ยนไม่ฟั่นเฟือนในปัญหาที่ท่านกล่าวไว้ก่อนว่าพุทโทติโก บุทะคุโนติโกโสใครคือพระพุทธเจ้าพระคุณของพระพุทธเจ้านั้นเป็นอย่างไรมีวิจัชนาดังต่อไปนี้ท่านกระทำการกำหนดไว้ว่าบุคคลผู้มีขันธสันดานบริสุทธิ์คือพระพุทธเจ้าส่วนความบริสุทธิ์แห่งขันธสันดานนั้นคือพระคุณในปัญหาข้อนั้นมีอธิบายว่า บุคคลใดเป็นผู้ที่ไม่ทั่วไปแก่บุคคลอื่นเป็นผู้มีการทำให้ผู้อื่นเข้าใจเป็นผู้มีปาฏิหารเป็นผู้วิเศษโดยรู ป, ปกายและธรรมกายเป็นผู้มีความเกิดขึ้นสืบต่อบุคคลนั้นชื่อว่าพระพุทธเจ้าในอธิบายนั้นด้วยคำว่าอนัญญสาธารโนเป็นผู้ที่ไม่ทั่วไปแก่บุคคลอื่นนี้ พระอาจารย์ย่อมแสดงความที่บุคคลอื่นผู้เช่นนั้นไม่มีในโลกทั้งสิ้นด้วยคำว่าสวิญยติโกเป็นผู้มีการทำให้ผู้อื่นเข้าใจนี้พระอาจารย์ย่อมแสดงความวิลาดแห่งเทสนาด้วยคำว่าสัปาติหาริโยเป็นผู้มีปาฏิหารนี้พระอาจารย์ย่อมแสดงความวิลาดแห่งริทย่อมแสดงความวิลาดแห่งพระรูปด้วยคำว่ารู ป, ปากาย ย่อมแสดงความยุราชแห่งสามยุตยานของพระพุทธเจ้านั้นด้วยคําว่าธรรมกายก็ในพระบาลีพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรกล่าวว่าคําว่าบุตโธพระพุทธเจ้าอธิบายว่าชื่อว่าพระพุทธเจ้าเพราะมีความหมายว่าอย่างไรชื่อว่าพระพุทธเจ้าเพราะตัสรุสัจจะทั้งหลายแล้วคํานั้นพระธรรมเสนาบดีสารีบุตร กล่าวไว้ด้วยมุ่งถึงการระบุพระพุทธคุณที่พระพุทธเจ้าทรงบรรลุแล้วมีคำถามว่าก็ในที่นี้พระคุณที่พระพุทธเจ้าทรงบรรลุแล้วอย่างหนึ่งพระพุทธเจ้าเป็นอย่างหนึ่งหรือก็ถ่านในข้อนี้พระพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นพระคุณก็อย่างนั้นนั่นเทียวพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นนั่นเทียวพึงมีในสังสารวัฏอันไม่มีเบื้องต้นเพระเหตุไร เพราะพระพุทธเจ้าและพระคุณนั้นมีอยู่ในการทั้งปวงถ้าพระพุทธเจ้าเป็นอย่างหนึง่งพระคุณของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างหนึง่งพระพุทธเจ้านั่นเทียวไม่พึงมีเพราะเหตุไรเพราะพระพุทธเจ้าแตกต่างจากพระพุทธคุณเมื่อเป็นอย่างนั้นพึงทราบอธิบายนี้ได้อย่างไรเพราะท่านกล่าวไว้ว่าความที่ขันธาตุอเยตนะเป็นไปตามลาดับไม่ขาดสาย ท่านเรียกว่าสังสาระเพราะฉะนั้นจะบอกว่าพระพุทธเจ้ากับพระคุณนั้นเป็นอันเดียวกันก็ไม่ได้จะบอกว่าเป็นคนตัอย่างกันก็ไม่ได้แต่ว่าการสืบต่อกันของขันาธาตุอายตนะนั่นแหละเป็นสังสาระจึงทำให้ผู้ที่บำเพ็ญบารมีมาครบสามสิบทัศท่วนสืบต่อขันธ์สันดานมากลายเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าส่วนพระคุณความสามารถที่มีความบริสุทิมีพระปรรัญญามีพระมหาการุณานั้น อันนั้นก็เป็นพระคุณมหาบุรุษมีรูป28 28นี้หมายถึงในสังสารวัตรที่สืบต่อกันมาเคยเกิดเป็นหญิงด้วยแต่ว่าในตอนที่ได้พยากรณ์เป็นเพราะโพธิสัตว์ประเภทนิยตะโพธิสัตว์แล้วจะไม่มีรูปผู้หญิงบังเกิดและจะมีแต่รูปผู้ชายเพราะฉะนั้นก็มี27เท่านั้น พระมหาบุรุษมีรูปยี่สิบแปดซึ่งแต่ละชาติที่เกิดจะมีเพียงรูปยี่สิบเจ็ดเท่านั้นเพราะอิทธิภาวรูปและปุริสสะภาวรูปนั้นไม่เกิดพร้อมกันและเมื่อเป็นนิยตะโพธิสัตว์แล้วจะไม่เกิดเป็นหญิงอีกจึงมีเพียงรูปยี่สิบเจ็ดที่เกิดขึ้นสืบต่อกันมาขันธสันดานคือจิตเจตสิกห้าสิบสามก็คือเจตสิกห้าสิบสองประเภทรวมทั้งจิตนับหนึ่งเป็นห้าสิบสาม ย่อมมีอยู่จนถึงอนุปาธาปรินิพานไม่ว่าสัตว์อะไรที่จะยิ่งย่อนไปกว่านี้ย่อมไม่มีแต่ว่าด้วยภูมิและบุคคลสัตว์แม้ถึงความยิ่งย่อนในบางคราวแต่ก็ย่อมมีอีกนั่นเทียวเพราะความสืบต่อแห่งเหตุยังไม่หายไปคือตอนที่เกิดในโพรโมโลกรูปก็จะไม่ถึงยี่สิบเจ็ดนะจะมีสภาวะรูปนาจจะมีรูปตมานยี่สิบ สายี่สิสามเพราะว่าในพมโรคจะไม่มีอิทธิภาวะปริสาภาวะไม่มีคานปรปสาธะชิวหาปสาธะกายยับสาธะก็เอาออกไปห้ารูปเลยรูปยี่สิบสามขันธสันดานแม้ของพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ถึงตอนก่อนที่เป็นพระโพธิษัท์ก่อนตัสรุนั้นยังเกิดขึ้นสืบต่อในสังสารวัตอันไม่มีเบื้องต้นในขันธสันดานอย่างนี้ ท่านใช้โวโหหารว่าสัตว์และบุคคลเป็นต้นเพื่อสะดวกในการเรียกขานสัตว์ที่ถึงการเรียกขานอย่างนี้ยังไม่พยายามยังไม่ตั้งปณิธานเพื่อพระโพธิญาณตราบใดก็ยังนับว่าสัตว์อยู่ตราบนั้นตั้งแต่พยายามตั้งปณิธานเพื่อพระโพธิญาณจึงจะชื่อว่าพระโพธิสัตว์หรือว่าพระมหาสัตว์ ผู้นั้นได้พระโพิญาณในการใดย่อมชื่อว่าพระพุทธเจ้าในการนั้นสมดังคําที่พระธรรมเสนาบดีสารีบุตรกล่าวไว้ว่าคําว่าพระพุทธเจ้านี้มิใช่พระชนนีทรงตั้งให้มิใช่พระชนกทรงตั้งให้มิใช่พระญาติแปดหมืนตระกูลทรงตั้งคําว่าพระพุทธเจ้านี้เป็นวิโมกขันติกนามเป็นสัตจิกาบัญญัติ ของพระผู้มีพระภาค พ, พุทธเจ้าทั้งหลายเกิดขึ้นพร้อมกับการทรงได้เฉพาะซึ่งสัพพัญยุตยานที่โคนโพพฤกมีคำถามว่าก็พระยานนี้เกิดขึ้นในการไม่นานหรือมีอยู่ก่อนแล้วตอบว่าอันพระยานมีอยู่ในสังสารวัฏอันหาเบื้องต้นมีได้ทําอะไรอะไรที่ไม่ตามมาในการเกิดขึ้นสืบต่อย่อมไม่มี ถึงกระนั้นพระยานก็ยังไม่บริสุทธิ์เพราะอนุสัยกิเลสทั้งหลายยังนอนเนื่องอยู่เป็นเวลาถึงขนาดนี้เพราะพระยานยังไม่บริสุทธิ์พระโริสัตว์จึงยังไม่สามารถกระทาสิ่งที่พึงรู้อันไม่มีตัวเหลือให้แจ่นแจ้งเพราะฉะนั้นจึงยังไม่เป็นพระพุทธเจ้าก็เนื่องด้วยบารมีที่ยังไม่สมบูรณ์พระยานยังไม่บริสุทธิ์หมดจดเพราะว่า ยังมีอนุสัยกิเลสที่เหมือนกับนอนเนื่องสืบต่อมาตลอดก็เลยทำให้ยังไม่สามารถที่จะตัดรู้เป็นพระพุทธเจ้าได้บัดนี้พระโพธิสัตว์ประทับนั่งณโคนโพธิ์ทรงเผากิเลสทั้งปวงพร้อมทั้งวาสนาและอนุสัยให้ไหมจนไม่มีเหลือแล้วกระทำพระญาณให้บริตรุดหมดจดกระทำพระญาณให้สามารถรู้สิ่งที่พึงรู้ทั้งสิ้นสว่างสวัยเป็นหนึ่งเดียว เพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าเป็นพระพุทธเจ้ามีคำถามว่าก็ในการเป็นพระพุทธเจ้านี้ที่พระโพธิสัตว์ทรงเป็นพระพุทธเจ้าอย่างนี้ขันธสันดานเป็นพระพุทธเจ้าหรือพระยานเป็นพระพุทธเจ้าอะไรเป็นคุณอะไรเป็นผู้มีคุณอะไรเป็นลักษณะอะไรเป็นเครื่องกาหนดก็ในเรื่องนี้ท่านกล่าวคาอธิบายไว้แล้วว่า พระยานมีลักษณะแทงตลอดสภาวะตามเป็นจริงอีกอย่างหนึ่งมีลักษณะแทงตลอดอย่างไม่ผิดพลาดดุดการแทงธรุของลูกศรที่นักแม่นทนูยิงออกไปมีกิจคือส่องขอบเขตกิจหน้าที่ก็คือส่องขอบเขตดุดดวงประทีปมีผลปรากฏโดยไม่หลงมีความไม่หลงเป็นผลปรากฏ ดุดคนนำทางพาไปในป่ามีสมาธิเป็นประทัดฐานดุดดวงแก้วมณีล้ำค่าและดุดทองคำที่หลอมดีแล้วด้วยประการดังนี้นีเป็นลักษณะของพระยานซึ่งก็ลัคนาดิจจิกะของปัญญาละแสดงว่าธรรมสภาวะปฏิเวทลัคนามีการแทงตลอดสภาวะธรรมเป็นลักษณะโมหันทการวิทังสนาระสา มีอันขจัดความมืดคือโมหะเป็นกิจอาศัมโมหะปัจจุ ป, ปัฏฐานามีความไม่หลงเป็นผลปรากฏสมาธิตัดสาปทัฏฐานามีสมาธิเป็นเหตุใกล้ของปัญญานั้นเพราะว่ามีพระบาลีสแสดงไว้ว่าสมาหิตโตยทถาภูตังชานาติปัสสติเมื่อจิตตั้งมั่นอยู่แล้วก็รู้ก็เห็นตามความเป็นจริงปัญญากับญาณ น, นี้ก็มีลักษณะ เป็นไวโพจสกันนะเป็นอันเดียวกันนั่นเองเพราะพระยานที่ละโทษพร้อมทั้งวาสนาบริสุทธิ์หมดจดดีแล้วความสามารถแทงตลอดสิ่งที่พึงรู้อันไม่มีตัวเหลือตามความเป็นจริงชื่อว่าลักษณะพระยานที่กําหนดด้วยลักษณะนั้นชื่อว่าเครื่องกําหนดลักษณะก็คือคุณเครื่องกําหนดก็คือผู้มีคุณผู้มีคุณชื่อว่าพระพุทธเจา้าพระคุณก็คือ พระคุณของพระพุทธเจ้าด้วยประการชนี้อาการก็คือความสามารถพิเศษของพระพุทธเจ้าเช่นอาสาธารณญาณสัพพายุตยานอนาวรณญาณพระปัญญาคุณพระมหากรุณาธิคุณแล้วก็พระบริสุทธทิคุณนี่ก็เป็นอาการของพระพุทธเจ้าก็คือลักษณะเกื้อกันกำหนดนั่นแหละถามอีกว่าด้วยคําอธิบายนี้ท่านกล่าวว่าพระญาณเป็นพระพุทธเจ้า ความบริสุทธิ์ของพระองค์เป็นพระคุณของพระพุทธเจ้าไม่พึ่งเข้าใจอย่างนั้นเหมือนเมื่อพูดว่าพระราชาเสด็จมาก็เป็นอันพูดว่ากองทัพและยานพานะทั้งปวงก็ามาด้วยฉันใดฉันนั้นเหมือนกันเมื่อพูดถึงความบริสุทธิ์แห่งพระยานบัณฑิตย่อมรู้ได้ว่าอารูปขันธ์สี่ที่สัมปยุติกับพระยานและรูปขันธ์ที่อรูปขันธ์สี่นั้นอาศัยอยู่ ก็ถูกกระทำให้บริสุทธิ์ด้วยนั่นเทียวเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้ากับคุณของพระพุทธเจ้าไม่แยกกันนะเนื่องกันเหมือนกับโคกับสีของโคก็ไม่แยกกันเหมือนกันเมื่อพระยานแล่นไปในสิ่ง네ที่พึงรู้อันไม่มีต่นเหลือแม้อรูปขันธ์ที่สัมยุตตกับพระยานก็ย่อมแล่นไปอย่างนั้นเพราะฉะนั้นการใช้วโวหารว่าพระพุทธเจ้า จึงใช้ได้ในความสืบต่อแห่งรูปและอรูปที่บริสุทธิ์แม้ทั้งสิน้นการใช้วโวหารว่าพระพุทธคุณจึงใช้ได้ในการที่ความสืบต่อ น, นั้นบริสุทธิ์การที่กระจกเงาใสาสะอาดเป็นเหตุให้เห็นรูปการที่ตะเกียงแสงสว่างจ้าเป็นเหตุประกาศให้รู้ถึงน้ำมันและไส้เป็นต้นความที่จักสุประสาทเป็นต้นแจ่มใสนั่น แ, แลเป็นเหตุให้จักขวิญญาณเป็นต้นรู้แจ้งรูปฉันใด ภาวะที่จิตเจตสิกเหล่านั้นมีญาณเป็นประธานไร้มนทินบริสุทธิ์เป็นเหตุให้รู้แจ้งสิ่งที่พึงรู้อันไม่มีตัวเหลือฉันนั้นด้วยประการฉนี้ถามว่าอันความบริสุทธิ์แห่งจิตนั้นอะไรสร้างขึ้นมาตอบว่าอารหัตมขคยานสร้างขึ้นมาถามว่าอรหัตมขคยานอะไรสร้างขึ้นมาตอบว่าวิปาาัสสนาญาณสร้างขึ้นมา ถามอีกว่าวิปัสนาญาณอะไรสร้างขึ้นมาตอบว่าสมาธิสร้างขึ้นมาถามอีกว่าสมาธิเกิดขึ้นด้วยอะไรตอบว่าด้วยศีลต๋มดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในเทวตาสังยุตซึ่งเทวดาก็มาทูลถามปัญหาถามปัญหาว่าอันโตชตาพหิชตาชตายะชาติตาประชา ตังตังโคตมะปุฉามิโกอิมังวิชะตาเยชะตันติแต่ความว่ามูสัตรรบทั้งภายในรบทั้งภายนอกข้าแต่พระโคโดมผู้เจริญก็ใครผู้ใดเล่าจากสางรบชัดนี้ได้พระพุทธเจ้าก็ตรัสตอบว่าสี่เลปฏิทายะนโรสปัญโยจิตตังปัญ ญ, ญัจะาวยัง อาตาปีนิปโกภิคขุโสอิมังวิชะตะเยชะตังเยสังราโคโจะโดโซโจะอวิชาจะวิราชิตาทีนาสวาอารหันโตเตสังวิชะติตาชะตายัตทนามันจะรูปัญจะอเสสังอุปรุชติปติคังรูปสัญญาจะเอตะเพศาชิตชะตะ ชะตาติก็มีความว่าพระโยควจรเป็นคนมีปัญญาเห็นภายในสังสารวัตรดำรงอยู่ในสีแล้วเจริญจิตและปัญญามีความเพียรมีปัญญาบริหารตนนั้นพึงถางชัดนี้ได้เมื่อกำจัดความมืดที่ปกปิดสัจจะด้วยอรหัตมัคยานอย่างนี้แล้ว มนฑนแห่งสิ่งที่พึงรู้ทั้งสิ้นก็สว่างจ้าเป็นอันเดียวพร้อมกันข้อความนี้จะมีแจ้งในตอนอธิบายคําว่าสัมมาสาัมพุทธโธในตอนต่อไปด้วยคําอธิบายประมาณเท่านี้บุคคลผู้มีขันธสันดานบริสุทธิ์จึงเป็นพระพุทธเจ้าการที่ความบริสุทธิ์ของบุคคลนั้นสามารถส่องให้เห็นสิ่งที่พึงรู้คือยยาธรรมทั้งปวงจึงเป็นพระพุทธคุณ แม้พระคุณของพระพุทธเจ้าแต่และองค์ก็เป็นอย่างเดียวกันเพราะเหตุไรเพราะพระยานที่สองให้เห็นเขตแดนเป็นอย่างเดียวกันเมื่อเป็นอย่างนั้นจะมีอะไรที่ท่านจะพึงพรรณนาในเรื่องพระพุทธเจ้านั้นข้อนั้นเป็นความจริงถึงกระนั้นอันจิตและเจตสิกธรรมทั้งหลายย่อมแล่นไปในอารมณ์ไม่ใช่ไม่มีอารมณ์อันอารมณ์เป็นสิ่งที่พึงรู้อันสิ่งที่พึงรู้หาประมาณนี้ได้ แม้พระยานที่เล่นไปในสิ่งที่พึงรู้อันหาประมาณมิได้ก็หาประมาณมิได้เพราะฉะนั้นจึงควรพันนณนานั่นเทียวอันลักษณะย่อมอยู่ในฐานะแห่งสิ่งที่พึงกําหนดมิได้อยู่ในอากาศดังนั้นเมื่อพูดถึงลักษณะก็เป็นอันพูดถึงสิ่งที่พึงกําหนดด้วยเมื่อพูดถึงสิ่งที่พึงกําหนดก็เป็นอันพูดถึงลักษณะด้วยเมื่อพูดถึงพระคุณก็เป็นอันพูดถึงผู้มีพระคุณด้วย เมื่อพูดถึงผู้มีพระคุณก็เป็นอันพูดถึงพระคุณด้วยเมื่อพูดถึงพระพุทธเจ้าก็เป็นอันพูดถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าด้วยเมื่อพูดถึงพระพุทธคุณก็เป็นอันพูดถึงพระพุทธเจ้าด้วยไม่อาจจะแยกทั้งสองอย่างนั้นพันหนานาได้เพราะฉะนั้นพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรจึงรวมทั้งสองอย่างนั้นเข้าด้วยกันกล่าวไว้ในบาลีว่าคําว่าพระพุทธเจ้าอธิบายว่าชื่อว่า พระพุทธเจ้าเพราะมีความหมายว่าอย่างไรชื่อว่าพระพุทธเจ้าเพราะตัดสรุ้สัจจะทั้งหลายชื่อว่าพระพุทธเจ้าเพราะทรงทำหมู่สัตว์ให้ตัดสรุปข้าพเจ้าได้กล่าวอธิบายคำว่าโกบุทโทใครเป็นพระพุทธเจา้าด้วยการชมระการโจดเป็นต้นอย่างนี้แล้วบัดนี้ควรจำแนกพระพุทธคุณทั้งหลายโดยคำพ ร, ระหูพจน์ ในคำนี้ว่าบุทตคุโนติโกโสคุณของพระพุทธเจ้านั้นคืออะไรซึ่งแม้มีมากท่านก็กล่าวไว้โดยคําเอกพจน์เพราะพระพุทธคุณทั้งหลายบริสุทธิ์หมดจดและเพราะพระพุทธคุณทั้งหลายเข้าถึงภาวะเป็นหนึ่งเดียวโดยลักษณะเพราะฉะนั้นพระพุทธคุณทั้งหลายคือพระพุทธญาณสิบสี่จะมีตอนอธิบายคําว่าสัมมาสัมพุทธโธ ในตอนต่อไปอสาธรณญญาหกเวสารัชญาสี่อภิญญาหกวิชาแปดและจรณะธรรมสิบห้าจะมีแจ้งในตอนต่อต่อไปธรรมสิบแปดประการเหล่านี้คือเรียกว่าอาเวนิกธรรมหรือว่าอัถรรสะพุทธคุณเป็นธรรมเฉพาะพระพุทธเจ้าสิบแปดประการเท่านั้นเรียกว่าอาเวนิกคุณสิบแปด ข้อที่หนึ่งพระยานของพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ติดขัดในอดีตสองพระยานของพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ติดขัดในอนาคตสามพระยานของพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ติดขัดในปัจจุบันพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงประกอบด้วยธรรมสามประการนี้แล้วคือสี่กายกรรมทั้งปวงมีพระยานเป็นผู้นำเป็นไปตามพระยานห้าวจีกรรมทั้งปวงมีพระยานเป็นผู้นาเป็นไปตามพระยาน หกมโนกรรมทั้งปวงมีพระยานเป็นผู้นำเป็นไปตามพระยานพระผู้มีพระภาค พ, พุทธเจา้าทรงประกอบด้วยธรรมเหล่านี้แล้วคือเจ็ดฉันทะความพอใจไม่มีเสื่อมแปดการแสดงธรรมไม่มีเสื่อมเก้าความเพียรไม่มีเสื่อมสิบสมาธิไม่มีเสื่อมสิบเอ็ดปัญญาไม่มีเสื่อมสิบสองวิมุตติความหลุดพ้นไม่มีเสื่อม พระผู้มีพระภาค พ, พุทธเจ้าทรงประกอบด้วยธรรมเหล่านี้แล้วคือ13ไม่มีการกระทธรรมเล่นๆ14ไม่มีการกระทําโดยผุนผัน15ไม่มีสิ่งที่พระญานไม่สัมผัส16ไม่มีการกระทํารรีบด่วน17ไม่มีความคิดที่ไร้จุดหมาย18ไม่มีการวางเฉยโดยไม่พิจารณาก็แสดงว่าพระสัมมาสมัมพุทธเจ้านั้น เป็นผู้ที่มีสติสัมปชัญญะตลอดเวลาแม้กระทั่งขณะที่ปันทมก็เข้าฌานสี่ด้วยสติสัมปชัญญะเรียกว่าตถาคตสายยาเหล่านี้ชื่อว่าอาเวลิกธรรมในคําเหล่านั้นคําว่าดวาการกระทําเล่นๆก็คือการกระทําด้วยประสงค์จะเล่นบทว่าราวาการกระทําโดยผลผล คือการกระทำโดยหุนหันทันทีทันใดคำว่าอัปปุตังอัปปุตังสิ่งที่พระญาณไม่สัมผัสคือไม่สัมผัสด้วยพระญาณนั้นไม่มีคำว่าเวคายิตตังการกระทำรีบด่วนคือการกระทำแบบเร่งรีบไม่มีสติอันนี้ก็ไม่มีคำว่าอัพยาวตามโนความคิดที่ไรจุดหมายคือความคิดที่ไรประโยชน์ปรากฏในจิตก็ไม่มีสำหรับพระพุทธเจ้า คำว่าอัปปติสังขานุเปขาการวางเฉยโดยไม่พิจารณาคือไม่มีการวางเฉยแบบไม่รู้โดยที่ไม่รู้ไม่เห็นไม่พิจารณาเฉยเฉยอันนี้ไม่มีแล้วเพราะว่าความเฉยอย่างนั้นเป็นโมหะที่ชื่อว่าตถาคตภะละกาลังของพระตถาคตสิบอย่างคือพระศาสดาพระองค์นั้นทรงประกอบด้วยภะยานสิทรการ ย่อมไม่ทรงสอนพระสาวกทั้งหลายให้คลาดเคลื่อนด้วยโอวาคือย่อมไม่ทรงสอนให้คลาดเคลื่อนจากโอวาสามประการก็คือหนึ่งเธอทั้งหลายจงทํากระทําอย่างนี้สองเธอทั้งหลายจงกระทําด้วยอุบายนี้สามสิ่งนี้เมื่อเธอทั้งหลายกระทําแล้วจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขนะก็ทำสามประการนี้ก็จะไม่สงละนะ ตอนให้กระทําอย่างนี้กระทําอย่างไรก็กระทําการกําหนดรู้ทุกพร้อมทั้งละสมุทยัยทำนิโรธที่แจ้งอบรมอริยมรรคให้บริบูรณ์เธอทั้งหลายจงกระทําด้วยอุบายนี้นะครับกระทําด้วยอุบายไหนล่ะก็ด้วยอุบายก็คือไตรสิกขาซึ่งเป็นปุปภาะแห่งอริยมรรคนั่นเองเพราะว่า ข้อที่สามสิ่งนี้เมื่อเธอทั้งหลายทําแล้วจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ก็คือพระนิพพานเพื่อเกื้อกูลก็คืออริยมรรคเพื่อความสุขก็คืออริยผลซึ่งเป็นวิมุตติสุขนั่นเองแต่ว่าในเกวตสูตรในเกวตตะสูตรเป็นต้นที่ทรงแสดงก็แสดงหกข้อนะก็คือข้อที่หนึ่งเธอจงตรึกอย่างนี้ก็ตรึกด้วยกุศลไว้ตกนะข้อที่สองเธออย่าตรึกอย่างนี้ก็อย่าตรึกด้วยอกุศลนิตกสาม ข้อที่สามเธอจงมนักสิการอย่างนี้ก็พิจารณาไตรลักษ์ให้ใจอยู่ใ้สมนักสิกานวิปัสนาเจริปัสนาดิตรไตรลักษ์นัพิจารณาด้วยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์แปรนาตาข้อที่สี่เธออย่ามนักสิการอย่างนี้ก็คืออย่ามานักสิการโดยความไม่แยบคายโดยความงามความเที่ยงความถูกความเป็นตัวตนข้อที่ห้าเธอจงละสิ่งนี้ก็คือละนิวรสิยข้อที่หกเธอจงเข้าถึงสิ่งนี้ก็คือเข้าถึงอริยผลเข้าถึงนิพพาน ก็ในที่อื่นไปจะแสดงหกที่ต่อไปก็จะเป็นฐานาฐานะญาณซึ่งเป็นเหตุเป็นผลสิ่งที่พระพุทธเจ้ า, ากระทําเป็นไปได้หรือว่าเป็นไปไม่ได้เป็นความรู้ในสิ่งที่เป็นฐานะและไม่ใช่ฐานะมีทั้งหมดยี่สิบห้าข้อด้วยกัน ไม่ใช่ฐานะไม่ใช่โอกาสที่จะมีได้คราแรกนะที่สาวกซึ่งพระาศาสดาทรงสั่งสอนแล้วอย่างนี้ทรงพร่ำสอนแล้วอย่างนั้นกระทาอยู่อย่างนั้นปฏิบัติอยู่อย่างนั้นจะไม่บรรลุถึงภูมิก็คือภูมิแห่งโลกุตระโลกุตระภูมินั่นเองพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้แล้วอย่างไรจะต้องมีผู้ที่บรรลุโลกุตระภูมิพระัญญากัญญาก็เป็นพยานคนแรกนะพร้อมกับธมสิบแปดโกด ข้อที่สองไม่ใช่ฐานะไม่ใช่โอกาสที่จะมีได้ที่สาวกซึ่งพระศาสดาทรงสั่งสอนแล้วอย่างนั้นทรงเพิ่มสอนแล้วอย่างนั้นยังไม่ได้บําเพ็ญศีลระขันให้บริบูรณ์จะบรรลุถึงภูมินั้นแต่เป็นฐานะเป็นโอกาสที่จะมีได้ที่สาวกนั้นซึ่งพระศาสดาทรงสั่งสอนแล้วอย่างนั้นทรงเพิ่มสอนแล้วอย่างนั้นบําเพ็ญศีลละขันให้บริบูรณ์จะบรรลุถึงภูมินั้นเพระเาะฉะนั้นการที่จะบรรลุถึง ความเป็นพระสาว o ถึงโล ก, กุตรภูมิถ้าไม่มีศีลเป็นบาตรไม่มีศีลเป็นฐานก็ไม่ใช่ฐานะแน่นอนพระพุทธเจ้าก็แสดงไว้แล้วข้อที่สามไม่ใช่ฐานะไม่ใช่โอกาสที่จะมีได้ที่บุคคลผู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะไม่ตัดรู้ธรรมเหล่านี้ก็คือตัดรู้อริยสัจ ส, สี่โพธิปักจัยธรรมสามทเจ็ดประการแล้วก็สัพพายะธรรมทั้งหลาย ข้อที่สี่ไม่ใช่ฐานะไม่ใช่โอกาสที่จะมีได้ที่พระองค์ซึ่งเป็นผู้สิ้นอาสวะทั้งปวงแล้วอาสวะเหล่านี้ยังจะไม่สิ้นไปอาสวะเหล่าไหนล่ะก็การมาสวะพวัาสวะทิฏฐาสวะอวิชชาสวะมันเป็นผู้สิ้นอาสวะทั้งปวงแล้วพระองค์ทรงพยากรณ์ว่าเป็นพระขีณาสพเพราฉะนั้นก็มีขีนาสวะปะติญญาข้อที่ห้าไม่ใช่ฐานะไม่ใช่โอกาสที่จะมีได้ ที่พระองค์แสดงธรรมเพื่อประโยชน์อย่างใดประโยชน์อย่างนั้นจะไม่สําเร็จเพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบแก่ผู้กระทําตามได้จริงประโยชน์อย่างไหนล่ะก็คือทิฏฐธรมมิกขถประโยชน์สัมปรายิกขถประโยชน์ปรามัฏฐประโยชน์ประโยชน์ชาตินี้ประโยชน์ชาติหน้าประโยชน์อย่างยิ่งก็คือพระนิพพานอัตตถะก็คือประโยชน์ตนปรัตตะก็คือประโยชน์ผู้อื่นอัตตปรัตตะประโยชน์ทั้งตนทั้งผู้อื่นด้วย และพระองค์ก็ยังมียาตัทธะประโยชน์ญาติโลกัตถ ะ, ะประโยชน์ของชาวโลกแล้วก็พุทธะประโยชน์ในความเป็นพระพุธทธเจ้านะทรงสํแร็จประโยชน์อย่างมากมายแล้วก็ธรรมะที่พระองค์ทรงแสดงนี้ก็นําออกจากทุกได้จริงเป็นนิยานิกะธรรมเพราะฉะนั้นก็เป็นนิยานิกะธรรมเทศนาที่พระองค์ทรงปฏิ ญ, ญาด้วยเวสาลัชยานข้อที่หกไม่ใช่ฐานะไม่ใช่โอกาสที่จะมีได้ที่สาวกของพระองค์ ซึ่งปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบประพฤติตามธรรมอยู่จะไม่กระทําให้แจ้งซึ่งการบรรลุคุณวิเศษอันโอรานื่นอีกโดยลำดับคุณวิเศษอันโอรานื่นคืออะไรบ้างก็ตั้งแต่ฌานวิปัสนาสมาธิสมาบัติตวิโมกยาทัศน ะ, ก, ะการเปิดจิตวิชาสามอภิญญาหกปฏิสัมพิทาสีมากมายเลยอัคาระาวกบารมิญานนะซึ่งเป็นอุตริมนุสธรรมทั้งนั้น ไม่ใช่ฐานะไม่ใช่โอกาสที่จะมีได้ข้อที่เจ็ดก็คือที่อันตรายยิกระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ไม่อาจก่ออันตรายแก่ผู้เสพได้จริงอันตรายยิกธรรมก็มีห้าอย่างก็คือกรรมอันตรายก็ได้แก่อนาตติยกรรมห้านั่นแหละฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระทหารทำร้ายพู้พุทธเจ้าเรหิทท้อแล้วก็ทำสังฆเภทอันที่สองกับกิเรสันตรายก็ได้แก่นิยตตมิจฉาทิฏฐิทั้งหลาย อาเห็นผิดว่าไม่มีเหตุไม่มีผลหรือว่าไม่เป็นอันธรรมอากิรยะทิฏฐิอเหตุกะทิฏฐิแล้วก็นัติกะทิฏฐิข้อที่สามวิปากันตรายก็ได้แก่พวกอเหตุกะปฏิสนธิอย่างไรก็ไม่บาลุนะแต่ว่าไม่กั้นมัดผลถ้าเป็นกรรมอันตรายกับกิเลสอันตรายนี่กั้นมัดผลด้วยเกิดในอบายด้วยกั้นสวรรค์นะวิปากันตรายนี่กั้นมัดผลเป็นอเหตุกะปฏิสนธิแม้ว่าเป็นทวิเหตุกะ ปฏิสันที่ก็ไม่บรรลุมรคผลเหมือนกันแต่ว่าไปสู่สวรรค์ได้ อ, อันที่ห้าอริยปวันอริยปวะดันตรายอริยปาวะ ด, ดันตรายการว่าไร้พระอริยเจ้าอันนี้ก็กั้นมรคผลกันสวรรค์ด้วยแต่ว่าถ้าขอให้ท่านอดโทษแล้วก็ไม่กั้นสวรรค์นะอริยุปะ ว, ปะวนนนปันอริยุปาวัดันตรายอริยปว่าตันเองเป็นอันตรายการว่ราไร้พระอริยะเจ้า ข้อที่ห้าอานาวีติกรรมันตรายก็คือการแกล้งล่วงอาบัตทั้งเจ็ดกองเนี่ยนะกองเล็กกองน้อยแค่ไหนก็จะแกล้งล่วงไม่แสดงคืนก็เป็นเครื่องกั้นต่อมาผลแล้วก็กั้นสวรรค์ด้วยข้อที่แปดไม่ใช่ฐานะไม่ใช่โอกาสที่จะมีได้ที่ทําซึ่งไม่นําสัตว์ออกจากทุกจะนําไปเพื่อความสิ้นทุกขโดยชอบแก่ผู้กระทําตามแต่เป็นฐานะเป็นโอกาสที่จะมีได้ที่ทําซึ่งนําสัตว์ออกจากทุกข จะนำไปเพื่อความทิ้นทุกขโดยชอบแก่ผู้กระทําตามนั้นนิยา น, นิกระทำก็ได้แก่อริยามรรคเมืองแปดนั่นเองเป็นนิยานัทโถก็คือมีอัดว่าเป็นญาณ น, นาออกเหตุตวทัทโถเป็นเหตุ ท, ท, ที่ให้ถึงพระนิพพานทัศนัทโถเป็นสิ่งที่เห็นเป็นตัวเห็นพระนิพพานแล้วก็อธิปฏยททัตโถเป็นใหญ่ยิ่งกว่าสังกัตธรรมทั้งหลายนะวิเศษสุดนะก็สรุปแล้วก็คือศีลสมาธิปัญญานั่นเองเป็นสิ่งที่ นำออกจากทุกได้แต่ว่าธรรมะอื่นของพว้เดียร์ถีภายนอกบอกว่านําออกจากทุกขแต่ว่านําเข้าสู่ทุกขเป็นส่วนมากเป็นส่วนใหญ่ข้อที่เก้าไม่ใช่ฐานะไม่ใช่โอกาสที่จะมีได้ที่สาวกของพระองค์ผู้ยังมีอุปาทิก็คืออุปาทานขันห้าเหลืออยู่จะบรรลุถึงนิพพานธาตุอันไม่มีอุปาทิเหลืออยู่ก็หมายถึงว่าสัอุปาลิเศสานิพพานเนี่ยยังมีขันห้าอยู่ เป็นคนตย่างกับอนุปาฏิเสสานิพานไม่มีขันห้าแล้วออันนี้เป็นการแสดงนิพานโดยปริยายนะความจริงแล้วพระนิพานนั้นไม่ใช่ขันห้าแต่ว่าผู้ที่บรรลุพระนิพานแล้วยังไม่ตายเนี่ยก็เรียกโดยอ้อมก็คือเรียกว่าสอุปาฏิเสสานิพานมีนิพานเป็นนิพานที่ยังมีขันห้าอยู่อันนี้ก็ไม่ใช่ไม่ใช่อนุปาฏิเสสานิพานตัวอย่างกัน เมื่อปรินิพานแล้วเนี่ยนะถึงจะเป็นอนุปา น, านิเสสานิพานหมายถึงว่าแสดงถึงความไม่มีของขันห้าแล้วแต่ว่าจิตเจตสิกรูปไม่ปรากฏนะเพราะว่าถูกตัดรากถอนโคนไม่มีเชื้อในการที้ทําให้เกิดจิตเจตสิกรูปอีกต่อไปเชื้อของจิตเจตสิกรูปนั้นก็ได้แก่กรรมนะซึ่งเป็นปมีปัจจัยมาจากกิเลสนั้นกิเลสนั่นแหละเป็นเชื้อที่สําคัญไม่ใช่ฐานะไม่ใช่โอกาสที่จะมีได้ข้อที่สิบ ที่บุคคลพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิจะพึงฆ่ามารดาหรือจะพึงทำร้ายด้วยมือด้วยเทา้าแต่เป็นไปได้ที่ปุตชชนจะพึงฆ่ามารดาหรือจะพึงทำร้ายด้วยมือด้วยเทา้าเพราะฉะนั้นก็พระอริยบุคคลนี่แม้กระตั้งไปทำร้ายพ่อแม่ด้วยมือด้วยเทา้าจะด่าพ่อแม่นี่ก็ไม่ด่าแล้วนะไม่มีแล้วจะมาทำอาการไม่ดีกับบิดามารดาเลยนี่ก็ไม่มีละ แต่ว่าผู้ทชนนั้นสามารถที่จะทําได้ทําอนันตริยกรรมก็คือฆ่าพ่อฆ่าแม่ก็ยังได้จะเปิดกล่าวไปใหญ่ถึงการทําร้ายด้วยมือด้วยเท้านะอนันตริยกรรมก็มาจากคาว่าณนะอันตระอะแล้วก็ลงอิยะปัจจัยนะกรรมกรรมะก็คือกรรมอันบุคคลพึงเสวยไม่มีระหว่างขั้นเมื่อจุติแล้วนะคือตายแล้วก็ต้องไปนรกทันทีแหละไปอบายทันที ข้อที่สิบเอ็ดไม่ใช่ฐานะไม่ใช่โอกาสที่จะมีได้ที่บุคคลพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิจะพึงฆ่าบิดานะหรือว่าจะพึงฆ่าพระรหันน์นะอันนี้เอาอยู่ในข้อเดียวกันเลยนะผู้ที่เป็นพระโสดาบันถึงพร้อมด้วยทิฏฐิจะฆ่าบิดาจะฆ่าพระรหันนี้เป็นไปไม่ได้นะข้อที่สิบสอง ไม่ใช่ฐานะไม่ใช่โอกาสที่จะมีได้ที่บุคคลผู้ถึงพร้อมดิทิติจะพึงทำลายสง์หรือจะพึงทำให้เกิดความร้าวรานในสง์ขึ้นแต่เป็นไปได้เป็นฐานะที่มีได้ซึ่งบุตรชนจะพึงทำลายสง์หรือจะพึงทำให้เกิดความร้าวรานแห่งสง์ขึ้นในสงความทำลายสงนี่ก็เป็นสังกเภศแต่ความร้าวรานแห่งสงนี่ก็เรียกว่าสังฆราชียังไม่ถึงกับแตกกันแต่ว่าเตรียมจะแตกแล้วล่ะเพราะฉะนั้นก็มีโทษมากอันนี้ก็ เป็นอนันตริกรรมเหมือนกันทำให้ตกนรกชั่วกับชั่วกันหนักที่สุดเลยธรรมาดาอนันตริกรรมห้าอย่างนี่นะทาลายสงฆ์นี่หนักที่สุดข้อที่สิบสามไม่ใช่ฐานะไม่ใช่โอกาสที่จะมีได้ที่บุคคลพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิจะพึงคิดร้ายพระตถาคตทำร้ายจนพระโรห uh ิตทอ่อหรือจะพึงคิดร้ายพระตถาคตทำลายพระสถูปที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ แต่ว่าเป็นฐานะเป็นโอกาสที่จะมีได้ที่ปุถุชนจะพึงคิดร้ายพระตถาคตทําร้ายจนห่อพระโลหิตหรือว่าจะพึงคิดร้ายพระตถาคตทําลายพระสถทปูบที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุหรือว่าจะบรรจุพระพุทธรูปบรรจุไปไบลานาเป็นอเอป็นคําสอนของพระสมมาสัมุติเจ้าก็าตามจะเป็นผู้ที่ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิแล้วก็จะไม่ทําแน่นอนนะข้อที่สิบสี่ ไม่ใช่ฐานะไม่ใช่โอกาสที่จะมีได้ที่บุคคลพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิจะพึงนับถือศาสดาอื่นก็คือไปเข้ารีบเดรธีแม้เพราะเหตุแห่งชีวิตแต่ว่าเป็นฐานะที่จะมีได้ที่ปุตุชนจะพึงนับถือศาสดาอื่นถ้าเป็นพระภิตรนี่ไปเข้ารีดเดรธีนี่เขาเรียก ว, ว่าอากลับมาบวชนี่ไม่ได้เลยนะเป็นปราชิกไปเลยไปเข้ารีดเดรธีนี่เป็นอาถรณะ เป็นฐานะที่ไม่สามารถจะกลับเข้ามาได้อีกข้อที่สิบห้าไม่ใช่ฐานะไม่ใช่โอกาสที่จะมีได้ที่บุคคลพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิจะพึงสแสวงหาทักษิณในญาบุคคลอื่นภายนอกพระาศาสนานี้แต่เป็นฐานะเป็นโอกาสที่จะมีได้ที่ปุตชนจะพึงสแสวงหาทักคิณในญาบุคคลอื่นภายนอกาศาสนานะคุณสมบัติของอุบาสกอุบาสิกาแก้วหรือว่าอุบาสกอุบาสิกาที่เป็นปฐุมบุญทลิกห้าอย่างนั่นก็คือ ข้อที่หนึ่งมีศรัทธาข้อที่สองก็มีศีลข้อที่สามเชื่อกรรมไม่เชื่อมงคลตื่นข่าวข้อที่สี่บำเพ็ญบุญในพระพุทธศาสนาแล้วก็ข้อที่ห้าไม่แสวงหาทักษิณยบุคคลนอกพระศาสนาอันนี้ไม่ต้องถึงพร้อมด้วยทิฏฐินะแค่เป็นคุณสมบัติของอุบาสกุบัณิกาที่ดีเลิศประเสริฐก็จะไม่หาทักษิณยบุคคลนอกพระศาสนานี้แล้วเพราะว่าหาอย่างไรก็ไม่มีถ้าไปหาก็แสดงว่าไม่เข้าใจหลักคําสอนเลย ไม่รู้จักพระพุทธศาสนาเลยข้อที่สิบหกไม่ใช่ฐานะไม่ใช่โอกาสที่จะมีได้ที่บุคคลพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิจะพึงเชื่อว่าบริสุทธุด้วยมงคลตื่นข่าวแต่เป็นฐานะเป็นโอกาสที่จะมีได้ที่ปุุ้ชนจะพึงเชื่อว่าบริสุทธุด้วยมงค์ตื่นข่าวถ้าใส่ชุดข่าวแล้วจะทําให้ใจบริสุทธิ์หรือว่าถ้าไม่รับประทานเนื้อมีรับประทานปลาแล้วก็จะทําให้เป็นพูดถึง ความบริสุทธิ์ทําให้บรรลุมรรคผลได้โดยที่ไม่ได้อบรมสินสมะทิปัญญาอะไรเลยอันนี้ก็เป็นมงคลตื่นข่าวไปนะข้อที่สิบเจ็ดไม่ใช่ฐานะไม่ใช่โอกาสที่จะมีได้ที่สตรีจะพึงเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิแต่เป็นฐานะเป็นโอกาสที่จะมีได้คือที่บุรุษจะพึงเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิพระเจ้าจากักรพรรดนี้จะไมเป็นสตรีแน่นอนเพราะว่าจะต้องมีอิทธิรัตนะแล้วถ้าเป็นสตรีนี้จะเอาอะไรมาเป็นรัตนะ เอาปุริสะเป็นรัตนะก็ไม่ได้นะปุริสะนี่เป็นไม่ใช่ของบริโภคของสตรีแต่ว่าสตรีเป็นของบริโภคสําหรับบุรุษนะข้อที่สิบแปดไม่ใช่ฐานะไม่ใช่โอกาสที่จะมีได้ที่สตรีจะพึงเป็นเท้าสกตะจอมเทศแต่เป็นฐานะเป็นโอกาสที่จะมีได้ที่บุรุษจะพึงเป็นเท้าสกตะจอมเทศท้าสกตะที่จะต้องมีเพื่อนสามสิบสามสาสามองค์เป็นเทวดาแล้วก็ต้องมีนางฟ้อนเป็นบริวาลยี่สิบห้าโกรธนะ สตรีจะมาเป็นท้าสกามันไม่ได้ไม่มีลักษณะของความเป็นผู้ยิ่งใหญ่แบบท้าสกะข้อที่สิบเก้าไม่ใช่ฐานะไม่ใช่โอกาสที่จะมีได้ที่สตรีจะพึงเป็นมารผู้มีบาปแต่เป็นฐานะเป็นโอกาสที่มีได้คือบุรุษจะพึงเป็นมารผู้มีบาปมารนี่ก็เป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่ในกามาโลกในเทวโลกแม้จะโธมก็ไม่อยากมายุ่งเกี่ยวกับคนผานก็บีกทงให้นะ แต่ว่าใครที่จะเป็นมารก็จะต้องมีอํานาจมีฤทธิ์มียศมีบุญมากต้องเป็นบุรุษเท่านั้นถึงจะเป็นมารได้นะข้อที่ยี่สิบไม่ใช่ฐานะไม่ใช่โอกาสที่จะมีได้ที่สตรีจะพึงเป็นท้ามหาพรหมแต่เป็นไปได้เป็นฐานะเป็นโอกาสที่จะมีได้ที่บุรุษจะพึงเป็นเท้ามหาพรหมเท้ามหาพรหมนี้จะไม่มีอิทธิภาวะไม่มีปริศฐภาวะแต่ว่าโดยรูป ก, ก็เหมือนบุรุษนะเหมือนบุรุษเพราะฉะนั้นจะไม่เป็นสตรีแน่นอน อนที่ยี่สิบเอ็ดไม่ใช่ฐานะไม่ใช่โอกาสที่จะมีได้ที่สตรีจะพึงเป็นพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่เป็นฐานะเป็นโอกาสที่จะมีได้ที่บุรุษจะพึงเป็นพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะอะไรเอ่ยก็เพราะว่าสตรีนี้จะไม่สามารถมีมหาุริษลักษณะครบสามสิบสองประการเด็ดขาดไม่มีลักษณะต่างๆที่ความเป็นมหาบุรุษต้องมีถึงสามสิบสองประการนะ ตรีนั้นไม่มีแน่นอนข้อที่ยี่สิบสองไม่ใช่ฐานะไม่ใช่โอกาสาที่จะมีได้ที่พระตะถาคตอรหันตธรมมาที่พระตะถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าสองพระองค์จะพึงเสด็จอุบัติแสดงธรรมพร้อมกันในโลกธาตุเดียวกันแต่เป็นฐานะเป็นโอกาสที่พระแต่เป็นฐานะเป็นโอกาสที่มีได้ที่พระตะถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เดียวเท่านั้นจะพึงเสด็จอุบัติแสดงธรรมในโลกธาตุเดียวกัน เพราะอะไรเพราะว่าคุณของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้านั้น โ, โลกาธาตุไหนๆก็รองรับได้เพียงพระองค์เดียวในการเดียวกันเนี่ยนะไม่ว่ากี่แสนโกรจักรวาลเนี่ยนะก็จะมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นมาตรัสรู้เพียงพระองค์เดียวเท่านั้นแล้วก็จะตรัสรู้ในมงคลจักรวาล น, นี้ด้วยนะมงคลจักรวาลอื่นไม่มีที่เรียกว่าเป็นมงคลจักรวาลเพราะว่าพระพุทธเจ้ามาประสูตดแล้วก็ พวกพระเจ้าจากักรพรรดิพระปัจเจกับพุทธเจ้าพุทธมารดาพุทธบิด า, าเวลาที่พุทธเจ้ามาประทุนหรือว่ามาตรัสหรือว่าตรงอย่างลงสู่พระครันก็เชวดาในแสนปวดจักรากวาลก็จะมาประชุมกันในจักรวาล น, นี้ก็เรียกว่าจักรวรร น, นี้ก็เรียกว่าเป็นมงคลจักรวาลแล้วก็ที่รองรับคุณของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าได้พระองค์เดียวเท่านั้นก็อุปมาเหมือนกับเวียนสองเล่มเนี่ยนะใส่พวกเพชรพลอยพวกเครื่องประดับรัตนะไว้เต็มทั้งสองเล่มเลย อ่เต็มอึ้งเลยแล้วก็จะเอาเพชรเอาพลอยเอาเครื่องประดับในเกวียนอีกเล่มหนึ่งเนี่ยยกมาทั้งหมดแล้วก็มาใส่ในเกวียนอีกเล่มหนึ่งซึ่งเต็มอยู่แล้วก็เกวียนนั้นก็จะต้องพลาหักล้อแตกแน่นอนเพราะว่ารองรับไม่ไหวหรือว่าเรือสองลําบรรทุกสัมภาระมาเต็มอึ้งเลยเทียบแป้เลยอาจจะเอาสัมภาระอีกในเรือของอีกลำหนึ่งมาใส่ในเรืออีกลำหนึ่งซึ่งเต็มนั่นเอียดอยู่แล้วเนี่ยก็จะต้องจมลงอย่างแน่นอน หรือว่าคนที่รับประทานอาหารอิ่มหนำแบบเต็มท้องอิ่มแล้วจะล้นออกมาแล้วถ้าให้เอาอาหารที่กินเข้าไปอเต็มอิ่มอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะให้มาบริโภอคอีกจานใหญ่ๆซึ่งตนเองก็บริโภอคอิ่มไปแล้วให้มาอีกจานหนึ่งก็อวกแน่นอนเลยเพราะฉะนั้นก็รองรับไม่ได้โลกธาตุนี้รองรับคุณของพระพุทธเจ้าได้เพียงพระองค์เดียวเท่านั้นข้อที่ยี่สิบสาม ไม่ใช่ฐานะไม่ใช่โอกาสที่จะมีได้ที่ทุจริตสามจะพึงมีผลที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่ารักน่าชอบใจแต่เป็นฐานะเป็นโอกาสที่มีได้ที่ทุจริตสามจะพึงมีผลที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่ารักไม่น่าใคร่ไม่น่าชอบใจเพราะเหตุไรเปรียบเหมือนต้นไม้ที่มีรากเป็นพิษรดดินรดน้าที่ซึมซาบเข้าไปย่อมให้ผลที่เป็นพิษออกมาฉันใด สุจริตสามก็ประกอบด้วยรากอันเป็นพิษสามอย่างก็คือโลภะโทสะโมหะเมื่อเจตนาเปื้อนพิษจึงให้วิบากที่ไม่น่าปรารถนาฉันนั้นข้อยี่สิบสี่ไม่ใช่โอกาสไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้ที่สุจริตสามจะพึงมีผลที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร่ไม่น่ารักไม่น่าชอบใจแต่เป็นไปได้เป็นฐานะเป็นโอกาสที่มีได้ที่สุจริตสามจะพึงมีผลที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่ารักน่าชอบใจ พระเฮไรเปรียบเหมือนต้นไม้ที่มีรากไม่เป็นพิษรดดินรดน้าที่ซึมซาบเข้าไปย่อมให้ผลที่ไม่เป็นพิษออกมาผลที่น่าปรารถนาอันนั้นก็ฉันใดทุจริตสามขอโทษทุจริตสามก็ประกอบด้วยรากอันไม่เป็นพิษสามอย่างก็คืออะโลภะอโทสะอโมหะเมื่อเจตนาไม่เปื้อนพิษไม่เป็นพิษ จึงให้วิบากที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าชอบใจฉะนั้นข้อ25ไม่ใช่ฐานะไม่ใช่โอกาสที่จะเป็นได้ที่ตมณะหรือพราหมณ์คนใดคนหนึ่งซึ่งเป็นคนโกหกเป็นคนพูดจาหวังลาบเป็นคนมุ่งหวังจะให้ลาบเกิดขึ้นกระทําการโกหกพูดจาหวังลาบมุ่งหวังจะให้ลาบเกิดขึ้นเป็นสําคัญไม่ละนิวรห้าอันเป็นอุปกิเล์แห่งจิต อันเป็นตัวทมปัญญาให้ทุรพลสามกำลังอยู่อย่างไม่กำหนดสติก็คือมีจิตไม่ตั้งมั่นในสติปฐานสีมิได้เจริญโพชฌงเจดจะพึงตัดรู้เฉพาะซึ่งอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแต่เป็นฐานะเป็นโอกาสที่จะมีได้ที่สมณะหรือพรามคนใดคนหนึ่งยังไม่ปราศจากโทสะทั้งปวงแต่ละนิวรห้าอันเป็นอุปกิเลสแห่งจิต อันเป็นตัวทำปัญญาให้ทุรพลสามกำลังอยู่อย่างกำหนดสติก็คือมีจิตตั้งมั่นแล้วในสติปัฏฐานสีเจริญโพชฌงเจตจะพึงตัดสรุเฉพาะซึ่งอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณแม้ว่ายังมีราคะโทสะโมหะอยู่แต่ว่าละนิวรห้าได้แล้วก็มีจิตตั้งมั่นในสติปัฏฐานสี่อบรมโพชฌงเจตจะได้ตัดสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระญาณในฐานะและอัถนาเหล่านี้โดยเหตุโดยฐานะโดยเฉพาะอันใดพระญาณ น, นี้เรียกว่าฐานาฐานญะาณเป็นกำลังของพระตถาคตข้อที่หนึ่งรวมทั้งหมดก็ยี่สิบห้าข้อนะต่อไปก็จะเริ่มสัพพะคาิินีปฏิปาาาทาญาณสัตว์ทั้งปวงที่ตกอยู่ในฐานะและอัถนาะย่อมเป็นผู้สิ้นไปเสื่อมไปเป็นธรรมดา เป็นผู้คลายไปเป็นธรรมดาเป็นผู้ดับไปเป็นธรรมดาบางพวกไปเกิดในสวรรค์บางพวกไปเกิดในอบายบางพวกก็นิพพานด้วยประการชนิดพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้อย่างนี้ว่าสัตว์ทั้งปวงจกตายเพราะชีวิตมีความตายเป็นที่สุดสัตว์ทั้งหลายจากไปตามกรรมได้รับผลบุญผลบาปผู้ทําบาปกรรมจกไปนรกผู้ทําบุญจกไปสวรรค์ ส่วนสัตว์อีกพวกหนึ่งเจริญมรรคแล้วจะส่วนสัตว์อีกพวกหนึ่งเจริญมรรคแล้วเป็นผู้หาอาสวะมีได้จะปรินิพานเพราะละบาปและบุญได้แล้วพ้นแล้วจากวัตตะผู้หาบัญญัตมีได้ผู้อันมานมองไม่เห็นดุดรอยเท้าของนกในอากาศฉะนั้นนี่ก็เป็นการแสดง เริ่มสัพพะถคามินีปฏิปทาญานซึ่งเป็นญาณที่สองในทศพลยานนะทศพลยานมีสิทธิเริ่มต้นตั้งแต่ฐานาฐานายานเป็นข้อที่หนึ่งข้อที่สองสัพพะถคามินีปฏิปทายานก็จะได้อธิบายในวันรุ่งขึ้นวันนี้ก็สมคุรแก่เวลาขอให้ท่านทั้งหลายได้ศรัทธาในพระตถาคตอบรมเจริญศรัทธาเดินนาฏของศีลให้เป็นไปในศีลเพื่อเป็นปัจจัยกับการที่จะทําให้ วิริยะสติสมาธิปัญญาคืออินทรีย์อีกสิ่อย่างประชุมพร้อมกันขอให้ท่านได้ตัดสรุปอริยสัจธรรมตามสเสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายโดยการไม่เนิ่นช้าด้วยเทินสาธุสาธุสาธุ